พระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าคุณาชีวกะกัสปะโคดได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาขอพระองค์ทรงสดับทางที่จริงแท้ของข้าพระองค์ผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญเป็นบาปไม่มีขอเดชะประรโลกไม่มี ใครเล่าจากปาระโลกนั้นมาในโลกนี้ปู่ย่าตายายไม่มีมารดาบิดาจักมีที่ไหนขึ้นชื่อว่าอาจารย์ไม่มีใครจักฝึกผู้ที่ฝึกไม่ได้สัตว์เสมอกันหมดผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญไม่มีกำลังหรือความเพียรไม่มีบุรุษผู้มีความหมั่นจักได้รับผลแต่ที่ไหน สัตว์เกิดตามกันมาเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่สัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรได้ในข้อนั้นผลทานจะมีแต่ที่ไหนผลทานไม่มีความเพียรไม่มีอำนาจทานคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดรับทานคนโง่สำคัญตัวว่าฉลาดเป็นผู้ไม่มีอำนาจย่อมให้ทานแก่นักปราชญ์ทั้งหลาย บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามาในโลกนี้อิทาคโตความว่าชื่อว่าผู้จากประโลกนั้นมาสู่โลกนี้ย่อมไม่มีคำว่าปูญ่าตายายปิตโรวาความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเฉพาะปิยชนทั้งหลายมีปู่่าตายายเป็นต้นย่อมไม่มี เมื่อท่านเหล่านั้นไม่มีมารดาจะมีแต่ที่ไหนบิดาจะมีแต่ที่ไหนข้อว่าเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่ยะถาโหถะวิโยตถาความว่าเรือที่ผูกต่อท้ายเรือเรียกว่าเรือพ่วงคุณาชีวะกะทูลว่าเรือน้อยที่ผูกห้อยท้ายตามหลังเรือใหญ่ไปชั้นใด สัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมติดตามไปอย่างแน่นอนทีเดียวถึงแปดสิบสี่กับข้อว่าความเพียรไม่มีอำนาจอาวสูเทวะวีริโยความว่าเมื่อผลของทานไม่มีด้วยอาการอย่างนี้คนพาลคนใดคนหนึ่งย่อมชื่อว่าให้ทานพุนาชีวะกะแสดงไว้ว่าคนพาล น, นั้นไม่มีอำนาจ ไม่มีความเพียนย่อมให้ทานโดยอำนาจคือโดยกำลังของตนหาได้ไม่แต่ย่อมเชื่อต่อคนอันธพาลเหล่าอื่นจึงให้ด้วยความสำคัญว่าผลทานย่อมมีข้อว่าทานคนโง่บัญญัติไว้พาเลหิทานังปัญญตตังความว่าคนพานเท่านั้นย่อมให้ทานนั้น บันดิตย่อมคอยรับทานที่คนอันธพาลบัญญัติไว้คืออนุญาตไว้ว่าควรให้ทานแลรันคุณาชีวะกะทูลพันนาภาวะที่ทานเป็นของไม่มีผลอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะพันน า, นาถึงบาปที่ไม่มีผลจึงกล่าวว่ารู ป, ปกายอันเป็นที่รวมดินน้ำลมไฟสุขทุกข์ และชีวิตเจ็ดประการนี้เป็นของเที่ยงไม่ขาดศูน์ไม่กําเริบรู ป, ปกายเจ็ดประการนี้ของสัตว์เหล่าใดชื่อว่าขาดไม่มีผู้ที่ถูกฆ่าหรือถูกตัดหรือใครๆผู้เบียดเบียนย่อมไม่มีศาสตราทั้งหลายพึงผ่านไปในระหว่างรู ป, ปกายเจ็ดประการนี้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 แม้จะประพฤติความดีมากมายก็บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าแม้กระทําบาปมากมายก็ไม่ล่วงขณะนั้นไปในวาทะของเราทั้งหลายความบริสุทธิ์ย่อมมีได้โดยลําดับเมื่อถึง84กับพวกเราไม่ล่วงเลยเขตอันแน่นอนนั้นเหมือนคลื่นไม่ล่วงเลยฝั่งไปฉะนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ารู ป, ปากายกายา ได้แก่หมู่คำว่าไม่กำเริบอวิโกปิโนได้แก่ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้คำว่าชีเวชีวิตแก้เป็นชีโวปาถะว่าชีโวจะดังนี้ก็มีมีความหมายเดียวกันคำว่ารูปกายเจ็ดประการนี้สติเมกายาได้แก่ กายทั้งเจ็ดเหล่านี้คําว่าผู้เบียดเบียนหรือหัญยะเรวะปิโกจินังความว่าแม้ผู้เบียดเบียนก็ไม่มีข้อว่าสัตราทั้งหลายพึงผ่านไปสัตถานิวินิวัตเตเรความว่าสัตราทั้งหลายเสียบเข้าไปอยู่ในภายในกายทั้งเจ็ดนี้ไม่สามารถจะตัดได้ คำว่าตัดศีษะสิระมาทายะได้แก่ตัดศีรษะของชนเหล่าอื่นคำว่าด้วยดาบอันคมนิสิตาสินาได้แก่ท่านกล่าวว่าตัดด้วยดาบอันคมท่านแสดงไว้ว่าแม้ผู้นั้นแทงพวกนั้นทางกายธาตุดินก็เข้าสู่ธาตุดินธาตุน้ำเป็นต้นก็เข้าสู่ธาตุน้ำเป็นต้น สุขทุกข์และชีวิตย่อมเล่นไปสู่อากาศคำว่าท่องเที่ยวอยู่สังสรังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสัตว์เหล่านี้จะทำแผ่นดินนี้ให้เป็นลานเนื้ออันหนึ่งก็ดีท่องเที่ยวไปตลอดกับมีประมาณเท่านี้ก็ดีก็หาบริสุทธิ์ได้ไหมจริงอยู่เว้นจากสงสาร ผู้ชื่อว่าสามารถจะชําระเหล่าสัตว์ให้บริสุทธิ์ย่อมไม่มีสัตว์ทั้งหมดนั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยสงสารนั่นเองข้อว่าเมื่อยังไม่ถึงการนั้นอะนาคาเตตัมหิกาเลความว่าก็เมื่อการหนึ่งตามที่กล่าวแล้วยังไม่ถึงอนาคตการผู้ที่สํารวมดีก็ดีผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ดีในระหว่างย่อมไม่บริสุทธิ์ คำว่าขณะนั้นตังขะนังได้แก่ตลอดการมีประการดังกล่าวแล้วนั้นข้อว่าในวาทะของเราทั้งหลายความบริสุทธิ์ย่อมมีได้โดยลำดับอนุปุปเพนะโนสุธิความว่าในวาทะของพวกเราความหมดจดย่อมมีโดยลำดับอธิบายว่า ความหมดจดของเราทั้งปวงย่อมมีโดยลำดับคำว่าเขตนั้นตังเวลังได้แก่ตลอดการมีประการดังกล่าวแล้วนั้นคุณาชีวะกะผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์เมื่อจะยังวาทะของตนให้สำเร็จตามกำลังของตนจึงกราบทูลโดยหาหลักฐานมิได้พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าอาลาตะเสนาบดีได้ฟังคาของคุนาชีวะกะกัสปะโคดแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านผู้เจริญกล่าวโดยประการใดคานั้นข้าพเจ้าชอบใจโดยประการนั้นแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติหนนหลังที่ท่องเที่ยวไปของตนได้ชาติหนึ่งคือในชาติก่อน ข้าพเจ้าเกิดในเมืองพารณสีอันเป็นเมืองมั่งคั่งเป็นนายพรานข้าโคชื่อปิงฆะข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากได้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือกระบือสุกรแพะเป็นอันมากข้าพเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริบูนน์นี้บาปไม่มีผลแน่ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องไปนรก บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าอลาตะเสนาบดีได้กล่าวคำนี้อลาโตเอตะทภพรวิความว่าได้ยินว่าอลาตะเสนาบดีนั้นกระทําการบูชาด้วยพวงดอกอังกาบที่เจดีในการแห่งพระทศพลทรงพระนามกัสปะในการก่อนในมรณะสมัยถูกกรรมอื่นซัดไปตามอนุภาพ ท่องเที่ยวไปในสงสารด้วยผลแห่งบาปกรรมอันหนึ่งจึงบังเกิดในตระกูลโคขาดได้กระทำบาปเป็นอันมากครั้นในเวลาที่เขาจะตายบุญกรรมอันนั้นที่ยังคงอยู่เป็นเวลานานปานนี้ได้ให้โอกาสเหมือนไฟที่เอาขี้เท่าปิดไว้ฉนั้นด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั้นเขาจึงบังเกิดในที่นี้ได้รับสมบัติเช่นนั้น และระลึกชาติได้เมื่อไม่อาจระลึกถึงกรรมอื่นจากกรรมในชาติที่ถัดไปได้จึงสนับสนุนวาทะของคุณาชีวกะนั้นด้วยสำคัญว่าเราได้กระทำกรรมคือการฆ่าโคจึงบังเกิดในที่นี้จึงได้กล่าวคำนี้มีอาธิว่าท่านผู้เจริญโดยประการใดยะถาพัันโต บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าก็ระลึกที่ท่องเที่ยวไปของตนได้ชาติหนึ่งจเรสังสริตัตโนได้แก่เราระลึกถึงชาติที่ตนท่องเที่ยวอยู่ได้คำว่าในตระกูลเสนาบดีเซนาปติกูเลได้แก่ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลแห่งเสนาบดี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 ในมิถิลานครนี้อเททธะได้แก่ครั้งนั้นในเมืองมิถิลานั้นคําว่าคนเข็นใจปตติชรีได้แก่คนยากจนคนกรรมพระคาว่าได้เข้าไปยังสํานักของคุณาชีวะกะคุณะสันติกะผุปาคมิได้แก่ได้ไปยังที่อยู่ของคุณาชีวะกะ เพิ่งทราบความว่าเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าจากฟังเหตุบางอย่างนั่นแหละพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสถามนายวีชกะนั้นว่าสหายเอ๋ยเจ้าร้องไห้ทำไมเจ้าได้ฟังได้เห็นอะไรมาหรือเจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไรจงบอกให้เราทราบบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าเจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไร จงบอกให้เราทราบกิงมังเวเทสิเวทนังความว่าเจ้าได้รับเวทนาทางกายหรือทางจิตอะไรหรือเป็นอย่างไรเจ้าจึงร้องไห้อย่างนี้จงบอกให้เราทราบเจ้าจงบอกเรื่องนั้นให้กระจางแก่เรานายวีชกะได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้กราบทูลว่า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 ยินดีในการบริจาคทานแก่พรามและคฤรหบดีทั้งหลายมีการงานอันสะอาดข้าพระองค์ระลึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทําแล้วไม่ได้เลยข้าแต่พระเจ้าวิเทหราชข้าพระองค์จุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในคันของนางกุมพระาสียิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้ตั้งแต่เวลาที่เกิดแล้ว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 สีนนี้เห็นจะไร้ประโยชน์เหมือนอลาตะเสนาบดีกล่าวข้าพระองค์กมเอาแต่ความปลาชัยไว้เหมือนนักเลงผู้ไม่มีสินฉะนั้นเป็นแน่ส่วนอลาตะเสนาบดีย่อมกรรมเอาแต่ชัยชนะไว้ดังนักเลงผู้ชำนาญการพนันฉะนั้นข้าพระองค์ไม่เห็นประตูอันเป็นเหตุไปสู่สุขติเลยข้าแต่พระมหาราชาเพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ได้ฟังคำของกัสปะคุณาชีวะกะแล้วจึงร้องไห้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าภาวะเศรษฐีภาวะเศรษฐีความว่าเศรษฐีผู้มีสมบัติ80สโกธผู้มีชื่ออย่างนี้คำว่ายินดีในคุณธรรมคุณระโตได้แก่ผู้ยินดีในคุณคำว่าอบรมตน สัมมะโตได้แก่อันตนอบรมดีแล้วคำว่ามีการงานอันสะอาดสุจิได้แก่ผู้มีการกระทาอันสะอาดคำว่าเกิดยิงขัดสนในมิถิลามหานคอนี้อิทชาโตธุริทิยาความว่าข้าพเจ้าเกิดในท้องนางกุมภพระธาสี ผู้เป็นหญิงขัดสนเข็นใจกำพร้าในมิถิลานครนี้ดังได้สดับมาในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะในปางก่อนนายวีชกะบุรุษนั้นเกิดเป็นนายโคบาลตามหาโคพริพัทธ์ที่หายไปในป่าถูกภิกษุรูปหนึ่งผู้หลงทางถามถึงหนทางได้นิ่งเสีย ถูกท่านถามอีกก็โกรธแล้วกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าสมณะขี้ข้านี้ปากจัดเชรอยว่าท่านนี้จะเป็นขี้ข้าเขาจึงปากจัดยิ่งนักกรรมนั้นหาได้ให้ผลในชาตินั้นไม่คงอยู่เหมือนไฟที่มีเท่าปิดไว้ฉะนั้นถึงเวลาตายกรรมอื่นก็ปรากฏเขาจึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารตามลำดับของกรรม เพราะผลแห่งกุศลกรรมอย่างหนึ่งเขาจึงเป็นเศรษฐีมีประการดังกล่าวแล้วในเมืองสาเกตได้กระทำบุญมีทานเป็นต้นก็กรรมที่เขาด่าภิกษุผู้หลงทางนั้นคงอยู่ประหนึ่งคุ้มทรัพย์ที่ฝังไว้ในแผ่นดินได้โอกาสจึงให้ผลส่วนบาปกรรมที่เขาได้ทำไว้เมื่อครั้งด่าภิกษุผู้หลงทางได้ให้ผลแก่เขาในอัตภาพนั้น เขาเมื่อไม่รู้จึงกล่าวอย่างนั้นด้วยสําคัญว่าด้วยผลกรรมอันดีงามนอกนี้เราจึงเกิดในท้องของนางกุมภพระธาสีด้วยข้อว่าตั้งแต่เวลาที่เกิดแล้วข้าพระองค์ก็ยากจนเรื่อยมายะโตชาโตสุทุก ข, ขโตนายวีชกะแสดงว่าข้าพระเจ้านั้นตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเข็นใจอย่างยิ่ง คำว่าตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติชอบสมจริยะมะทิติโตข้าพเจ้าตั้งอยู่ในความประพฤติสม่ำเสมอทีเดียวคำว่านั่นเป็นแน่นูเนตังได้แก่นั้นโดยส่วนเดียวคำว่าสีนี้เห็นจะมันยิทังสีลังความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ธรรมดาว่าศีลนี้เห็นจะไร้ประโยชน์คำว่าอลาตะเสนาบดีอลาโตความว่าอลาตะเสนาบดีนี้กล่าวว่าเรากระทำกรรมชั่วก่อปานตาิบาตไว้มากในภพก่อนจึงได้ตําแหน่งเสนาบดีเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงสำคัญว่าศีลไร้ประโยชน์ คำว่าความปลาชัยกะลิเมวะความว่าผู้ไม่มีศิลปะไม่ได้ศึกษาเป็นนักเลงสกาถือเอาการปราชัยฉันใดข้าพเจ้าย่อมถือเอาฉันนั้นแน่พึงให้สมบัติของตนในภพก่อนฉิบหายไปบัดนี้ข้าพเจ้าจึงเสวยทุกข์ด้วยคำว่าคำของกัสปะคุณาชีวะกะกัสปะพาสิตัง นายชีวะกะกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังภาษิทธของอเจละกะกัสปะโคดพระเจ้าอังคติราชทรงสดับคำของนายวีชกะแล้วได้ตรัสว่าประตูสุขติไม่มียังสงสัยความแน่นอนอยู่อีกหรือวีชกะได้ยินว่าสุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เองแน่นอนสัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนเกิดเวียนตาย เมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่ารีบด่วนไปเลยเมื่อก่อนแม้เราก็เป็นผู้กระทําความดีขวนขวายในพรามและคฤหบดีทั้งหลายอนุาสาต ร, ราชกิจอยู่เนืองๆ ง, งดเว้นจากความยินดีในกามคุณตลอดการประมาณเท่านี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสอังคติมภพวิความว่า พระเจ้าอังคติราชทรงสดับคำของคนทั้งสามคือของสองคนนอกนี่อกนและของวีชกะในภายหลังจึงยึดมั่นมิจชาทิธิแล้วกล่าวคำมีอาธิว่าประตูไม่มีคำว่ายังสงสัยความแนนอนอยู่อีกหรือนิยตังกังขะความว่าวีชกะผู้สหายท่านจึงตรวจดูแต่ความแนนอนเท่านั้น พระเจ้าอังคติราชตรัสอย่างนี้โดยอธิบายว่าความจริงการมีประมาณ8ปดมหากับเท่านั้นย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ได้ท่านอย่ารีบด่วนนักเลยคําว่าเมื่อยังไม่ถึงเวลาอาณาคเตความว่าเมื่อยังไม่ถึงการนั้นท่านอย่ารีบด่วนว่าเราจะไปสู่เทวโลกในระหว่างได้คําว่าขวนขวาย ปาวะโตความว่าได้มีความขวนขวายด้วยการกระทามีการขวนขวายทางกายการให้ทานเป็นต้นแก่ชนทั้งหลายนั้นคือในพวกพราม์และคฤหบดีทั้งหลายคำว่าราชกิจโบหารังความว่านั่งในที่เป็นที่วินิจฉัยแล้วจัดการไปตามบัญญัติแห่งราชกิจข้อว่างดเว้นจากความยินดี ตลอดการประมาณเท่านี้รติฮีโนตะทันตราความว่าละจากความยินดีในการมาคุณตลอดการมีประมาณเท่านี้ก็แลครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ตรัสบอกลาคุณนาชีวะกะว่าท่านกัสปะพวกข้าพเจ้าประมาทมาแล้วสิ้นการเท่านี้แต่บัดนี้พวกข้าพเจ้าได้อาจารย์แล้ว ตั้งแต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินยินดีแต่ในกามคุณเท่านั้นแม้การฟังธรรมในสำนักของท่านให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็เป็นการเนิ่นช้าของพวกข้าพเจ้าเปล่าท่านจงหยุดเถิดพวกข้าพเจ้าจากลาไปละจึงตรัสกึ่งคาถาว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายจะได้พบกันอีกถ้าเราทั้งหลายจากมีการสมาคมกัน บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถ้าการสมาคมสังคติเจความว่าการสมาคมของพวกเราจะมีในที่แห่งหนึ่งถ้าผลบุญของพวกข้าพเจ้าไม่มีจะประโยชน์อะไรด้วยท่านที่เราจะมาเยี่ยมพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศของพระองค์ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระราชนิเวศของพระองค์สันนิเวสนังความว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัสคำนี้แล้วจึงเสด็จขึ้นสู่รถพระที่นั่งกลับไปยังพื้นจันทกะปราศาสอันเป็นพระราชนิเวศของพระองค์ตอนแรกพระราชาเสด็จไปยังสำนักของคุณาชีวะกะ ทรงนมัส ก, การแล้วจึงได้ตรัสถามปัญหาก็แลเมื่อเสด็จกลับหาได้ทรงนมัส ก, การไม่กุณาชีวะกะยังไม่ได้รับการไหวเพราะเป็นผู้ไม่มีคุณชะไหนจะได้รับพระราชทานสักการะมีก้อนข้าวเป็นต้นส่วนพระราชายังทรงคืนนั้นให้ผ่านไปวันรุ่งขึ้นจึงให้ประชุมเหล่าอมารอีกแล้วตรัสว่า พวกท่านจงบำเรอการมาคุณกันเถิดนับแต่วันนี้ไปเราจะเสวยความสุขในการมาคุณเท่านั้นอย่าพึงรายงานกิจการอื่นให้เราทราบเลยผู้ใดผู้หนึ่งจงกระทำการวินิจฉัยเถิดครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีอยู่แต่ในการมาคุณเท่านั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าตั้งแต่รุ่งสว่างพระเจ้าอังคติราชรับสั่งให้ประชุมเหล่าอมารในที่ประทับสำราญแล้วตรัสว่าจงจัดกามคุณทั้งหลายเพื่อเราไว้ในจันทกะวิมานของเราทุกเมื่อเมื่อข้อราชการลับและเปิดเผยเกิดขึ้นใครๆอย่าเข้ามาหาเรา อำมาตย์ผู้ฉลาดในราชกิจสารนายคือวิชยะยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอลาตะเสนาบดีจงนั่งพิจารณาข้อราชการเหล่านั้นพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงใส่ใจกามคุณให้มากไม่ต้องขวนขวายในพรามครืหบดีและกิจการอะไรเลย บรรดาคํำเหล่านั้นคําว่าในที่ประทับสําราญอุปัฏฐานนำหิได้แก่ในที่บํารุงบําเรอของพระองค์คําว่าในจันทกะวิมานของเราจันทเกเมได้แก่ในจันทกะปราสาสตอันเป็นที่อยู่ของเราคําว่าจงจัดเพื่อเราวิเทนตุเมความว่าจงจัด คือจงบำรุงบำเรอกามาคุณทั้งหลายแก่เราเป็นนิดคาว่าเมื่อข้อราชการลับและเปิดเผยคุยหะปากาสิเยสุความว่าเมื่อเรื่องราวทั้งลับทั้งเปิดเผยเกิดขึ้นใครๆอยากเข้ามาหาเราคำว่าข้อราชการอัตเถได้แก่ในที่เป็นที่วินิจฉัยเหตุผลคำว่าจงนั่งพิจารณา นิสีทันตุความว่าจงนั่งกับด้วยอามาที่เหลือเพื่อกระทากิจที่เราพึงกระทา